ทติเป็นธรรมที่เหมือนลอยเท้าช้างคุณธรรมอื่นๆก็เหมือนกับจัดเล็กจัดน้อยที่องค์สมเด็จธรมมาหเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากที่สุดเหมือนพ่อเหมือนแม่ พ่อแม่เราอาจจะตายไปแล้วหรือว่าตอนนี้อยู่ห่างกันเบาถาการก็อาจจะไม่ได้หยิบยื่นมือมาช่วยเราส่วนใหญ่เวลาเราตกทุกข์ได้ยากป่วยหรือว่าชีวิตเราหกละเหินเราก็นึกถึงเราลึกถึงพ่อแม่ คนโบราณออกนอกบ้านจะกอบดินใส่สีษะไปลบพุ่งทำศึกเจ้าปถุมแม่คาดหัวจะรู้สึกมีกำลังใจมาเสร็จภารกิจจะได้กลับมาอยู่กันด้วยความอบอุ่นอันนี้ต่างจากตัวสติ สติเป็นคุณธรรมที่ติดตัวเราไปตลอดเวลานั่งเดินยืนนอนที่ไหนก็เขอยู่กับเราด้วยจะทำกิจการงานใดๆเขาก็อยู่กับเราด้วยแม้กร <c oughs> ะทัง่งเวลาใกล้ตายเขาก็อยู่กับเราด้วย ตติจาระลึกเอาคุณธรรมต่างๆมากมายความสื่อสัตว์ขยันประหยัดอดทนเมตตากราุณาเมตตาเบียกขาหรือโอตปะอายเจวากลัวบาปความอดทนอดกันอามาประกอบใช้ เพื mm ่อชีวิตเกิดความสะดวกทันควันสติจะมาไวเหมือนสายฟ้าแลบเหมือนลูกธนูที่พุ่งตรงไปตรงมาสู่เป้าหมายของสภาวะธรรมต่างๆที่มังกรปากฏเป็นปฏิวัติขึันนะก็จึงเป็นคุณธรรมที่เราจะต้อง เอาถึงซึ่งมีอยู่แล้วแต่ว่าสติมีตามสัญจริยานพอเรากลับมาฝึกกรรมฐานหัดกรรมฐานหัดให้ใจมีที่ตั้งตั้งไว้กับกายโดยมีสติผูกมัดอยู่แล้วกรร ม, มฐานสติก็เหมือนเชือก เหียงชาลูกเสือเนตรนาลีการใช้เชือกผูกเป็นเงื่อนพิลอดนะเงื่อนตะกุดเบ็ดเงื่อนหัวล้านชนกันนะอีกมากมายเป็นเงื่อนะเป็นปมนะเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดนะจะผูกกอตายจะใช้เงื่อนไหนมันถึงจะ ด, ดินไม่หลุดยิ่งดินยิ่งแน่นบางทีก็ จะใช้เงอนอะไรจะได้ทำเป็นเชือกรัดบาทขาบาทผูกขาบาทมีเงินมีปมเชือกคือสติที่เราลูกไว้เป็นกรรมมรฐานแล้วก็ผูกไว้ด้วยเงื่อนของสติปัฏฐานเป็นหน้ของการรู้แล้วก็ปัดรู้แล้วก็ปัดรู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่าน รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางตรงนี้แหละมันถึงมีอาการปอดโปร่งขึ้นมาเป็นแสงสว่างของปัญญาขึ้นมามันถึงมี็การตื่นทุกน์ไม่ได้ไปจมทุก์ไม่ได้หลงก็ไปในอาการต่างๆรูปธรรมนามธรรมต่างๆมันก็จะได้ที่พึ่งเนี่ยมันก็อุปการละเราก็าวุ่นวายแล้วไม่วุนว่นวายก็สับสนแล้วไม่สับสนอุปการละเรา มเกิดการปล่อยการวางขึ้นมาจริงๆแม้กระทั่งความคิดซึ่งละเอียดอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาจากหยาบไปหาละเอียดอารมณ์หยาบหยาบกะที่เราปฏิบัติรรมอารมณ์รูปน้มนี้หยาบเห็นดุนก้อนธาตุสี่ขันห้าโดยว่าทธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมน่สังเกตไม่ยาบ ถัดไปตอนนี้มันเย็นเย็นอยู่หลักวิทยาศาสตร์นี่ความเย็นมันไม่มีอยู่แล้วมีความร้อนที่ลดลงหลักของวิชาศาสตร์หนาความสุขมันไม่มีอยู่แล้วมีมความทุกข์ที่ลดลงเพราะฉะนั้นทุกข์นี่เห็นไม่ยากเห็นชัดอาการเคลื่อนไหวต่างๆมันแก้กทุกข์ของมันต้องวันนั่งเดินยืนนอนทาสี่ส่วนขันที่เป็นนามขัน ขันขันก็คือความคิดการปรุงกันแต่งจำได้ไหมรู้รู้สึกได้มันก็เป็นอาการที่แสดงเป็นการปรากฏเป็นปรากฏการณ์ของปัจจุบันขณะที่มีเหตุปัจจัยประกอบเพื่อดำลงชีวิตด้วยความรู้และความหลงด้วยการมีปัญญาหรือว่าจะสร้างปัญหาเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นเชื่อเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็เห็น ตาในคือตาสติปัญญารู้สึกตัวมันก็เห็นได้ถ้าแยบคายตามสมควรแก่การปฏิบัติก็เห็นตามสมควรแก่การปฏิบัติถาดไฟมันก็เย็นลงถาดน้ําก็แชะแฉะถาดดินก็เป็นดุนเป็นก้อนกระทบสัมผัสเห็นเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆ่างนันก็ปรากฏอยู่แล้วทุกครั้งที่เรากลับมามันก็เห็น ถ้าลมลมหายใจลมช่องว่างลมเบื้องล่างองค์สมเด็จสัมมามันเจ้าวาชิ้เอาไว้เป็นรอยชัดเจนมากเราก็น้อมมาฝึกมหาหัดปฏิบัติกันก็ต้องเห็นหลวงปู่เทียนริงชี้ชัดเห็นกายเคลื่อนไหวดูกายเคลื่อนไหวน่แหละเคลื่อนมือสิบสี่ชังไหวสรุปเป็นภาษายุคของเราเลย รัะสั่นๆประโยคเดียวปฏิบัติได้เลยดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเห็นใจที่มันนึกมันคิดมันคิดทั้งวันกลางคืนมันก็คิดนอนหลับฝันอย่าเมื่อคืนลองระลึกดูจ้ลองนึกดูฝันอะไรมันฝันตอนไหนจิตก็จะตกประวังประมาณสามทุ่มถึงประมาณสักประมาณตีหนึ่ง สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็จะหลับไปพักผ่อนจริงๆวิววิวหลับปสวิตปุ๊บไปเลยหัวถึงหมอนปั๊บหลับเลยมันรู้แล้วเป็นเวลาพักฝึกหัดจนเป็นนิสัยเวลานอนไม่หาเรื่องมาคิดเวลานอนก็วางไม้วางมือวางหน้าวางตาวางกายวางใจ หองเก็บเรียบร้อยดีเช็ดกวาดประตูสะอาสะอาดวางตัวนอนลงเตรียมตัวตายวันลงขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดมีชีวิตชีวาเป็นพบชาติใหม่ขึ้นมาอีกอาจจะตายเน่าเข้าลงไปเราพยายามไม่ให้มันอุจจาร์พาพอนล้วก็ดูแลดีๆแตกต่างจากตมัยหม่ที่เราไม่ได้ฝึกหัดกัน นอนก็นอนแบบหลงความง่วงพาหลับความเพียพาหลับนอนก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจร่างกายจิตวิญญาณ น, นอนก็ฝันฟุ้งซ่านละเมอพอเราฝึกสติเราเห็นสติไมกรนะท่ขนาดนอนมันก็แสดงตัวเวลาเกิดความคิดขึ้นมามันตัดทันทีตัดทันทีเหมือนตอนกลางวัน มันก็ใจได้จริงๆทัวเวลาหลับก็หลั บ, ลบพักผ่อนกายผ่อนใจตื่นมาก็สดชื่นมีชีวิตชีวาผ่งใสเกิดความรู้สึกขยันขึ้นมาจากภายในมีอะไรทําก็จะทํำละวันเนี้ยมีอะไรทํำก็จะทํำละามเหตุทำปัจจัยเป็นบุญเป็นกุศล <c oughs> เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน คนธรรมต่างๆมันก็พร้อมที่จะเรียบเรียงออกมาสอดปรสานเป็นส่วนประกอบของชีวิตให้เราดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาปฏิบัติธรรมมันจึงเป็นการใช้ชีวิตอย่างผาสุกแล้วก็ถูกต้องผาสุกคืเป็นความสุขเกษมแสนมันมีสุขจากการยึดพ ล, พลุงพลังเป็นภาละ พาลาเวบัญจะขันแทาขันห้าเป็นของหนักเน้อมันกลายเป็นว่าความบริสุทธิ์เราก็อยู่กับเขาจนฝ่าจะใช้ไม่ได้เพราะนั้นเราจะรู้ว่าขันห้ามันบริสุทธิ์ดีหรือไม่ก็ลองใช้มันดูเหมือนรถยนต์รถยนต์ถจอดเนี่ยคือเศษเหล็กเดี๋ยวยางก็เสื่อมสองปีสามปีหมดอายุถ้าวิ่งก็ วิ่งไปเลยหนมะื่นกิโลสองหมกิโลห้าหมกิโลนะทุกอย่างก็จะเสื่อมทําสภาพไปบางทีก็แสนกิโลก็ต้องเปลี่ยนหลายอย่างนะแต่หมายถึงจอดมันก็ไม่รู้นะว่าเป็นยานพาณิชย์เปลวิ่งถึงรู้เป็นยานพาณนะิชชีวิตของเราก็เหมือนกันกายนี่ต้องเคลื่อนไหวนะคือตัวชีวิตจยวา นอน ต, ตื่นยันหลับมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดพลังของชีวิตถ้าเรายิ่งนิ่งเลือกนิ่งมันก็จะเป็นเอามาเพิกเอามาพาดเจ็บป่วยไข้รอวตายมันเลือกนิ่งแน่หรือยังไม่ต้องตายนอนหลับมันก็เลือกนิ่งถ้าจะเคลื่อนไหวก็น้อยเต็มทีตามสัญชาติญาณการหายใจเข้าออกจิตลองปิ้งมากๆนะเคลื่อนไหวมากๆก็เหนื่อย เป็นจิตป่วยจิตที่ฟุ้งซ่านสับสนแสบใสเผลอเก่ง mm hmm. แ้นะจิตป่วยจิตที่แข็งแรงจะต้องหยุดนิ่งนิ่งอยู่ในปัจจุบันขณะ mm hmm. อยู่ที่บ้านเป็นมาตรฐานใช้อยู่ในแดนงานแดนของปัจจุบันขณะ mm hmm. มันเป็นพื้นที่ของชีวิตชีวาที่มันจะทำให้เรา มันก็ว่ายิ่งใช้ยิ่งได้มันเป็นปัญญาที่ยิ่งใช้ยิ่งงอกงามยิ่งใช้ยิ่งมีประสบการณ์มันเป็นการตื่นรู้ว่องไวไวไปิปฏิปานเพานั้นมันหยุดอยู่ในแดนงานเป็นกรรมนิโยนามว่าแก่การงานบริสุทธโท์โตแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์มันเป็นจิตที่เกิดความเป็น พรหมจันทร์หรือว่าเป็นพ ร, พระมีพระมีกำลังใจขึ้นมามันจะไม่จนใจมันจะไม่เหมือนกับว่าหดหู่เศร้าซึมมืดเบลอคิดไม่ออกบอกไม่ถูกมันจะไม่สับสนมันจะไม่งงแล้วก็โง่เป็นบาปเป็นความมืดทึบๆตุ่มๆแล้วก็เหมือนกัตบติบๆตั น, ตน ทำอะไรก็ไม่ได้ต้องฝากต้องแฝนไว้กับผู้อื่นชีวิตของเราบางทีก็แฝนไว้รอลูกเขาเดี๋ยวก็โตก็จะช่วยเราหวังพึ่งพาอาศัยยุคนี้พึ่งไม่ได้หรอก mm hmm. เขาเองก็ตัวไม่หลอดเหมือนกัน mm hmm. เขาเองก็ยิ่งสับสนโลกงงโลก mm hmm. เห็นได้ชัดชัดบางคนก็ฝากผีฝากใข่ฝากความหวัง บังทีก็หลงผัวลืมพ่อหลงเมียลืมแม่หลงทรัพย์สมบัติหน้าที่การงานจนเป็นวัวลืมตีนไม่เคยกลับมาดูแลกันไปแล้วไปรับสมัยพุรการมีพระเจ้าพระเศนที่โกศลก็เกิ น, นหลับก็ฝันไปฝันว่ามีวัวตัวแม่ ไปดูดนมลูกลูกวัวตัวนั้นก็ดีดแข้งดีดขาใส่แม่พระเจ้าพระเศสนิโกศลก็เอาสูบินนิมิตเนี่ยไปถามองค์สนเด็จสำมาลเจ้าพระเจ้าก็ทำนายว่าในอนาคตการแม่เลี้ยงลูกกับปนเปิดอแบบพระราชาแบบราชินี คนเปลืออยากได้อะไรก็หาให้กูนี่ยืมสินหวังให้ลูกมีหน้ามีตาเสร็จแล้วก็หวังพึ่งว่าลูกเนี่ยจะได้ดีทางหน้าที่การงานหาเงินหาทรัพย์แล้วจะมาเลี้ยงดูตัวเองตัวเองก็ไปงอ้อใครจะขอส่วนแบ่งทวงบุญคุณ รวมก็เลยดีดเปรี้ยงก็ไดอนาคตการคือมันจะไม่ดูแลมีความอคตัอยู่สูงมันก็เกิดกันแล้วยุคน่ะบางคนทำงานทำการเห น, นื่อยกับตายส่งลูกส่งลูกเรียนหนังสืออย่างเช่นมียยคนก็มาไปดูดันทีนี้ร้องห่มร้องให้มีลูก ลูกก็ไม่เรียนหนังสือแล้วก็ดื้อกลางคืนก็เที่ยวแต่แม่ก็มีความรักแบบบริสุทธิ์ใจต้องการเงินเท่าไหรนะ่กี่พันกี่หมื่นก็ส่งให้ลูกต้องการคอมพิวเตอร์ซื้อให้นั่งเล่นอินเทอร์เน็ตก็ยามที่จะบอกว่าอย่าเล่นเลยมาช่วยแม่ล้างถ้วยล้างจาน กวาดบ้านถูบ้านรูกก็ไม่ฟังแถมอารมณ์ก้าวแล้วรุนแรงเนื่องจากกินน้ำหวานเยอะพลังงานน้ำหวานเนี่ยมันต้องเอาไปใช้ออกกำลังกายเป็นนั่งนิ่งๆมันก็แสดงออกมาทางอารมณ์ก้าแล้วเอาตตดใจตัวเอง บางทีเนี่ถึงกันเวลาไม่พอใจแม่จิกผมแม่แล้วก็ตบฉาดก็ให้มันก็เกิดขึ้นแล้วยุกเนี่ยเยอะแยะไปหมดบางทีนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ในห้องล็อกประตูนั่นแม่โทรศัพท์เข้าไปมากินข้าวลูกเฉยเลยออกมาจากห้องทะลูกเฉยเลยอะถ้าแม่ออกมาแม่จะฆ่าตัวตายนะแม่จะกระโดดจากตรงเนี้ยลงไป ชั้นล่างเลยนะเฉยเลยแม่กระโดดจริงๆตายคาที่เป็นข่าวเป็นขาวมาก็มีอยู่แล้วมนะันก็เป็นอย่างนั้นรุงทีพ่อแม่ก็เป็นใบรุ่นนะไม่มีประสบการณ์ไรเดียงสาไม่เคยเลี้ยงเด็กติดอินเทอร์เน็ตอย่างรุนแรงทั้งพ่อทั้งแม่นั่งเล่นเกมที่เป็นเกมเลี้ยงเด็ก ในอินเทอร์เน็ตพยายามส่งเด็กที่หลงทางกลับให้ถึงบ้านจะต้องดูแลความปลอดภัยมีสัตว์สาลาสิ่งค์ก็จะต้องมีการขับไล่สัตว์เจอที่บรรทุละกันดารลําบากก็ต้องช่วยเวลาผ่านเหวจะต้องช่วยช่วยเด็กเวลาเด็กหิวก็จะต้องเอานม เอาอาหารให้เด็กก็ช่วยได้จนเด็กปลอดภัยในเกมนะแต่ลูกตัวเองอยู่บ้า น, นตายเพราะอยู่กับเกมอยู่กับโลกของมายาไปอยู่โลกของความเป็นจริงจนติดคุกติดตราองเงี้ยพระนันสังคมทุกวันนี้นะเราเลยจะต้องมารู้การใช้สติสัญชาตญาณให้กลับมาเป็นสติปัฏฐานกัน มันก็ตรงไปตรงมาการเคลื่อนกันไหว14เยอะไม่อ้อมเลยนะเพียงแค่รูแปแบบมันดูแบบประหลาดประหลาดแต่ว่าคนที่เป็นวิสัยบัณดิตไม่ได้ปฏิเสธนะโลไวบนี้มีความประหลาดเยอะแยะไปหมดนะการใช้ยอยาบทนะขับร้องดนตรีต่างๆแสดงลีลาออกมาการเต้นมันแปลประหลาดมากเกมกีฬาต่างๆการตั้งท่าต่างๆ แอคชั่นต่างๆในหนังในละครประหลาดประหลาดเยอะแยะไปหมดเพราะด้านอันนี้เป็นเพียงแค่สมมติบัญญัติสําหรับคนที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการฝึกหัดจิตเฉยๆรูแปแบบที่มีอยู่ในวงไทยทั้งหมดเป็นสมมติบัญญัติทั้งหมดเป็นกือสโลบายที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ท่านค้นคิดจนกระทั่งเกิดการบัญญัติเอาไว้เป็นที่ยอมรับว่าท่องฝึกจิต นะวิธีนี้อย่างนี้นะก็เป็นของคนนี้คนนี้คนนี้คนนีนะ้ท้ายสุดก็คือของพระพุทธเจ้านั่นแหละนะเป็นของพระุทธ อ, องค์เป็นทางเดียวกันนะไม่ใช่ว่าเป็นของลทัทิใดละทิตหนึ่งนะมันเป็นขององค์สมเด็จสัมมาวุฒิเจ้าอย่างเช่นที่เราทานี่คือการคู่การเหยียดคู่เข้าเหยียดออกนะอวัยวะที่เรามี่คือมื อ, อมือมันก็คือท่าสี่ เหมือนกระลมหายใจของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่มันลมเบื้องบนแต่การเคลื่อนมือนี่มันคือไฮโดรลิกเป็นลมในช่องว่างในร่างกายของเราเราเจตนาผลิตขึ้นมาแต่ลมหายใจเนี่ยเราไม่ได้เจตนาอย่างไงยิ่งเราเคลื่อนไหวเนีเราก็จะยิ่งเห็นออกพลังกายมันเกิดขึ้นมาเหมือนกับเราเอ็กซ์ซอร์ซายออกกําลังกายการเคลื่อนกันกไหวเนี่ย หมดบนต่างๆระบบประสาทต่างๆก็ทํางานดีเห็นใจที่มันนึกมันคิดเวลาใจมันไม่ปกติมันแวบทันทีนะมันนึกมันคิดทันทีแต่เวลามันปกติโยมก็รู้ว่ามันกำลังทําอะไรอยู่กําลังเคลื่อนไหวเกรงคลายตึงหย่อนมันก็รู้อยู่มันก็เลยเป็นพลังของชีวิตเห็นกายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวพลังชีวิตจิตจุดรู้อยู่เป็นจิตที่มีสติปัญฐาน เราไม่ได้เป็นฌานก็ไปกบตานแน่นิ่งอันนั้นเป็นลักษณะของฌานที่อุตตกรดาบทอารามกรดาบทได้ชี้นาเจ้าชายสิทธัตถะจนั้งเจ้าชายสิทธาเองก็ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่อิ่มใจแต่ครูบาอาจารย์บอกว่าจบแล้วมาอยู่ที่นี่ช่วยกันสอนดีกว่าแต่เจ้าชายสิทธาก็บาบอกว่ายังคิดถึงพิมพาอยู่เลย ยังคิดลาหุนอยู่เลยยังคิดถึงการเป็นกษัตริยนะ์กษัตริย์นี่มันน่าสนใจและยิ่งนะมันไม่ใช่กษัตริย์ธรรมดานะมันเป็นลักษณะของนะกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์ของกษัตริย์อีกทีเดียนะวเป็นประมากษัตริย์ที่สามารถจะคลองนะประเทศต่างๆนะซึ่งมีกษัตริย์อยู่แล้วนะเป็นที่ยอมรับนะก็เรียกว่า king of the king นะ เป็นพระราชาของพระราชาอีกทีหนึ่งมันก็น่าสนใจนะคำทำนายนะจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกมันก็หัวคิดไปนะคิดถึงป่าสาสามฤดูอยู่กับโคนไม้อยู่กับป่าฝนตกก็เปียกยุงสัตว์กัดเจ็บกัดแล้วก็คันลำคาญไปอยู่ในวงังน่สบายดูฝนก็อยู่หลังนึงฤดูหนาวก็อยู่หลังหนึ่ง รดูร้อนก็อยู่หลังหนึ่งนี่เรามานั่งทําอะไรตรากตแล้วเป้าหมายยังมองไม่เห็นเลยการบรรลุธรรมอยู่ตรงไหนนนอนเสียนนอนน้ําอดทนฝึกจนกระทั่งก็บอกว่าจบแต่ก็ยังทุกข์อยู่ตายสุขก็ไม่เอาจะแสวงหามันก็ทำด้วยตัวของตเองก็ทําอย่างอุกลฤษเลยไม่กินข้าวอดข้าวอดน้ําที่ ท, ทําดรงคาซิลิ พยายามเห็นว่าทุกอยู่ที่กายแน่ๆคราวนี้กายไงมานั่งนิ่งๆไม่ต้องกินไม่ต้องขับถ่ายอะไรเลยเอาลิ้นกดเพดานจนตาทะเหลือกตาถลนปด mm hmm. อาหารยังระทงมันพร้อมเอามือแตะตรงท้องมันก็ไปทบกระทบกับข้างหลังเอาไปแตะข้างหลั ง, ง, ลงมันก็เหมือนกับโดนหน้าท้องมันบางมากกระดานนั้นก็ยังไม่บรรลุธรรม ก็จนไม่เอาละเปลี่ยนฟังพินสามสายมีนักดนตรีหรือเขาเรียกว่าเทพเขานิมิตเทวดาเขาโดนใจให้ได้ยินได้ฟังว่าถ้าหย่อนไปสายพินหย่อนไปมันก็จะดังไม่เพราะถ้าตึงไปมันก็จะขาด มัชฌิมาปิฏิวตาคือทางสายกลางนะไม่ตึงไปไม่หย่อนไปพอดีพอดีอดอดนะจะดังเพราะพอได้ฟังอย่างนั้นก็ เ, ออเริ่มต้นใหม่ที่ทามาทั้งหมดนะมันไม่สามารถเข้าถึงสภาวะของนะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะเกิดปัญญาพุทธะขึ้นไหนะก็เริ่มต้นใหม่หลังจากฉันข้าวของนางสุ ช, ชาดานะที่ลิมปังนะแม่ น, มน้ำเนลัญจลา ที่พุทธกยาหลังจากนั้นก็เดินข้ามฝั่งแนะม่น้ำเนรันจลาปัจจุบันนี้มันก็แห้งอ่ะนะโยมมันจะมีอยู่ช่วงน้ำหลากนะช่วงฤดูฝนคือมันเป็นแม่น้ำที่ตื้นมากเขบอกว่ามันเป็นแม่น้ำที่ถูกสาบ พ, พอหลังจากนั้นมันจะแห้งอย่างรวดเร็วนะมันจะเหลือแต่ทรายนะก็สามารถเดินข้ามไปได้ตื้น หลังจากนั้นก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพเสร็จแล้วก็ตั้งอาการจิตเลยตั้งสัจจะเอาไว้แบบคนใจเพชรขอนั่งเป็นครั้งสุดท้ายแม้กระทั่งเลือดเนื้อมันจะเกิดแห้งผุพังไปก็ตามหนังเอ็นกระโดงจะผุพังไปก็ตามจะขอนั่งครั้งสุดท้าย ถ, าถ้าเรายังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณ เราจะไม่หยุดทำความเพียนเสียถึงแม้จะตายไปก็ยอมเรามีเรี้ยวแรงขนาดไหนบุรุษผู้เข้มแข็งแล้วก็จิตตั้งมั่นเพื่อที่จะเห็นความจริงในตัวเองพระองค์ก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะจนกระทั่งท้ายสุดถูกเข้าลองเข้ารอยมีความถูกต้อง วางกายพอดีวางใจพอดีแล้วก็กำลังรู้ถูกเป้าพอดีเห็นลมหายใจเข้าออกการคู่การเหยียดการเคลื่อนกันไหวเห็นทุกข์ น, นะนะร่างกายของเราที่มันเคลื่อนไหวตระหนามคือทุกข์นั่นแหละมันแก้ทุกข์ของมันผ่อนคลายบรรเทาขยั บ, ข ย, บขยื่อนต่างๆเดี๋ยวเข้าห้องน้ําเดี๋ยวก็ดื่มน้ําเดี๋ยวอาหารก็ไปเดี๋ยวอุจาร์ละ เดี๋ยวก็พิปตาเดี๋ยวก็หายใจหันซ้ายหันขวาต่างๆนั่งเดินยืนนอนเอียบรถเราก็เลยเอามากำหนดกำหนดรู้สภาวะทุกข์จนเห็นเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์คือเราชอบมีปัญหาอุปทานก็ไปยึดมันไม่ได้เป็นสติปัฏฐานมันก็ไปยึดในฐานหลงก็ไปจนทั้งอำนาจของทุกขนะ์นั มันก็บีบคั้นให้จิตใจของเรามันก็ขัดแย้งแล้วก็ทุกตามไม่ได้คาตอบของชีวิตแล้วก็ต้องจําน้นมันมันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนั้นแหละมันถึงจะคิดได้การมาตัญหาชอบไปชอบพอใจไม่พอใจอยากจะได้อยากจะไม่ได้มันก็เกิดแล้วหนาของการมาตัญหาขึ้นมาใครมีความใครเกิดขึ้นมา ทางตาให้ราคาเกิดราคาขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นวิราคาทันทีก็คือไม่ให้ราคาเกิดการสํารวมขึ้นมาสํมมาไม่ใช่สําไปสํารวมไม่ใช่สําแต่กระจายบางคนที่ฝันเสียฝันก็เจิงเนีเวลาเห็นอะไรตื่นตะนกตกใจฝันกระจายทางอิจายจะมีการเรียกขวัญมีหมอเรียกขวัญก็เป็นล้นะของขนรรมตำเนมประเพณีที่ทำยังไงให้คนมันเหมือนก็ว่า มีความอบอุ่นใจไม่เหมือนกับอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่ยากคนบ้า น, นส่วนใหญ่ไปคนเยอะเดียวแล้วก็ไปแล้วก็อยู่ยากใช้ีวิตแบบเบียดเบียนแบบเบียนรูปกัะนกลกายก็ไม่สบายแต่ของเราไม่ใช่นะของเราไม่มาอยู่ไม่สบายเพราะว่าเป็นลนักษณะของคนที่ไม่รู้ไม่ใช่แต่เรามาฝึกหัดถ้าอยู่ลำบากแล้วมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นยังไง มาฝึกมาหัดดูเพราะาเราอยู่สบายมาก่อนอยากได้อะไรเราก็ได้มาอยู่ที่นี่เราก็จึงนะมีกรอบมีมีกดนิดนึงเป็นการละลายพฤติกรรมเบื้องต้นเวรามีกายแล้วก็มีความสุขเพราะกายมีใจก็มีความสุขเพราะจิตเพราะใจของเรานะไม่ต้องอาศัยอิงวัตถุหน 1, 2, 3, นะึนะ่งสองสามบางคนหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยจึงมีการฝึกหัดกันเดินตามรอยนะนะเราเดินตามรอยเราไม่ได้คิดเองนะ เราพูดทำมาเราไม่ได้พูดเองแต่ว่าองค์สมเด็จสัมมาเจ้าท่า น, นชี้นําเอาไว้อย่างนั้นเป็นรอยแบบนั้นหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านก็ป ร, าาระพฤติวัดปฏิบัติตามตามแนวที่องค์สมเด็จสัมมาเจ้าได้ชี้นําเอาไว้เราก็เป็นอนุชนคนรุ่นหลังลูกศิษย์ลูกหาศิษยานุศิษย์เราก็ทําตามไม่ต้องไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้ น, นด้นเดาาเอาเองคัดคเนมันเสียเวลาเรา เราก็เลยนั่นแหละตรงไปตรงมาเลยเห็นกายเคลื่อนไหวกันอันนี้ก็เห็นอยู่เห็นจิตที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งเห็นจริงๆริมันจึงมีอารมณ์เบื้องต้นเห็นรูปทำเห็นนามทำเห็นรูปทำมันทําอะไรมันนั่งมันเดินมันยืมมันนอนมันเคลื่อนมันไหวอย่างนี้เห็นใจเวลามันคิดมันเป็นทุกข์ยังไงอาการของมันเวลามันมีสติเห็นมันไม่ทุกข์ยังไงเราก็เริ่มจับได้ละ อ๋อมันเห็นกลายเป็นปกติเห็นจิตเป็นปกติเรียกว่าศีลปรากฏศีลก็คือความเป็นปกติปรากฏตั้งมั่นจงตั้งอ๋อเห็นแล้วว่าตรงนี้มันคืออาการอะไรนะสมาธิมันตั้งมั่นมันเห็นแล้วคืออะไรมีแง่มีมุมมีร่องมีลอยในเท้าช้างมีลอยสัดเล็กสัดน้อยอย่างนี้อ๋อเห็นแล้วคุณธรรมต่างๆ่อ๋อมันเป็นอย่างนี้เห็นแล้วอย่างเงี้ยมันอยู่ในการปรุงกันแต่งในสังขารทั้งหมดปัญญาที่สังขารเอปุญญาที่สังขารอ เป็นสมบัติบัญญัติแบบนี้ใช้ตรงนี้ใช้ได้ก็บอกว่าดีใช้ตรงนี้ใช้ไม่ได้ก็บอกว่าไม่ดีเวลาใช้เวลานี้ไอ้ที่ว่าไม่ดีมันเป็นดีเงี้ยใช้กับคนนี้ไอ้ที่ว่าไม่ดีมันเป็นดีอย่างเงี้ยมื่ถูกคัดสรรเลือกใช้ได้ถูกอย่างพมอพอจออย่างเงี้ยกาลเทสะฐานะฐานะานะบุคคลต่างๆมันก็เป็นตัวปัญญาผ่านได้ผ่านได้ผ่านได้เ ดาวเท่นั้นธรรมะนี้เป็นเรื่องไม่มาก น, น้อยก็คือมีสติสัพัญญะไม่มากเราตายสุดทั้งหมดต้นริ้ก็เป็นการเดินทางที่สติพาไปปัญญาพาไปจนนั่งเกิดความสะดวกไม่พลุญพลังปฏิบัติธรรมะนี้ไม่ผลุญพลังเนละหนึ่งเดียว ก, คควกวญญ็คือความรู้สึกตัวเป็นทั้งสติเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาคือความรู้สึกตัว แล้ววันนี้เห็นว่าสมควรเก็นเวลากลาราบพร้อมกัน